ราเสียทีถล่มเข้ามาอยู่ในเงื้อมือข้าศึกนี้ก็เพราะดูหมินทนงแก่สงครามเป็นไงยอมรับว่าตัวเองมินข้าศึกมินเตียงอุยเกินไปเป็นไงว่าอย่างนี้แล้วพอแลไปข้าที่ตะวันออกอาทางข้างที่ตะวันตกก็เห็นสุมาปองคุมบารฟันตรุยเข้ามาช่วยตน เตงางก็ดีใจคุมหันออกจากที่ร้อนได้ก็พาสุมาปองคุมหัไปตั้งค่ายอยู่นะักริมแม่น้ำอุ้ยซุยเป็นว่าเตงไงรอดตายไปได้เพราะสุมาปองมาช่วยฝ่ายเกียงอุนึกอาเมื่อาาเห็นสุมาปองแหวกวงร้อมกข้มาช่วยเตงไงอไปแล้วเนี่ยเกียงอุกยก็ยกฐานเข้า ตล้งอยู่ในค่ายของเตงไงทั้งเก้าค่ายเลยเป็นอะไรว่าเกียงอุยยึดค่ายของเตงงายไว้เลยทั้งหมดเป็นอังว่าเตงงายเกือบเสียทีเกียงอุยไปเมือ่อเตงไงรุดรอดจาก วงร้องกระบวนการข่ายกลดังกล่าวนั่นออกมาแล้วเนี่ยสุมาปองช่วยมาได้แล้วเนี่ยแต่งานก็ถามสุมาปองว่าเหตุชะไหนฮะท่านจริงเข้าใจในกระบวนกา้นศึกอันนั้นน่ะฟันฝ่าเข้าไปช่วยเราจากในที่ร้องออกมาได้อะสุมาปองก็ตอบว่าเมื่อขบเจ้ายังเด็กอยู่นั้นได้ไป วิช า, มาเมืองเก่งเตียวเมลบเอียงเมืองเชี่ยวอกัเปงเจียกองวลซึ่งเป็นเพื่อนรักกันของขงเบ้งเปง เ, เจอกองวลได้บอกกลนศึกอันให้แกขบเจ้ากระบวนกศึกซึงเอียงอุยปรับกลายออกไปนี้นะ่ะชื่อว่า เ, อาเตียงจัวติง พอแปรได้ใจความแบกระบวนศึกสืบงูเลื้อยหรือภรรยานาคาประการยังไงก็ว่ากนาันเอาเถอะกระบวนการสืบกระูบงูนี่แหละงูเลื้อยถ้าผู้ใดไม่รู้ร่วงถลังเข้าไปก็จะเสียทีข้าพเจ้าเน่เห็นว่ากระบวนศึกนั้นตั้งศีรษะอยู่ข้างที่ตะวันตกข้าพเจ้าก็จึงปีตรงเข้าไป ที่ตะวันตกมันเป็นการปัดศีศาะเสียก่อนแต่ไง่ายได้ฟังดังนั้นก็จริงว่าพระเจ้าก็ได้เรียนกระบวนศึกมาเป็นอันมากแต่กระบวนศึกซึ่งกลับกลายออกไปดังนั้นเนี่ยหาเข้าใจถึงหม่บัดนี้เรารู้เท่าเกียอยู่แล้วเวลาพรุ่งนี้จำเราจะยกไปรบทิ้งเอาค่ายของเราคืนจึงจะชอบ แตงง่ายจะทิ้งข่ายคืนสูมาปองก็จริงว่าข้พาพเจ้าก็พอได้เรียนรู้วิชากระบวนศึกจริงบเกแต่ก็ไม่รู้ถึงเกียงอุยซึ่งจะยกไปรบนั้นน่ะเกลือจะเสียทีเกียงอุยได้ขอท่านคิดดูให้ควรก่อนแตงง่ายก็จริงว่าทัญญวิตกเลยให้ทหารให้ท่านยกทฐานออกไปตั้งกระบวนศึกกับเกียงอุยส่วนเรา ยกฐานไปทางด้านหลังเขาหลุนกระเบียงอุยยกออกจากค่ายแล้วเราก็จะนํากำลังรอบเขาชิงค่ายของเราคืนได้มี่เป็นไงกับเจ้าชายแผนนี้คือไฮซูมาปองรบกับเบียงอุยส่วนตนเองจะรอบเขาชิงค่ายคืนและเตงไงค่อยเตงหลุนเป็นกองหน้ายกไปตั้งซุ่มอยู่ด้านหลังเขากี่สาร ซุมาปองก้อยทหารถือหนังสือไปค่ายเกียงอุยเป็นการท้าทายเราะว่าเวลาพรุ่งนี้ให้ยกฐานลงมาตั้งกระบวนการศึกันนี้เกียงอุยก็สละถหนึ่งตอบมาว่าให้ยกมาเถอะหลือเกียงอุยก็ถึงว่าแกฐานนั่งพวงว่าเราเคยทำศึกมากับขงเบ้งชมาในกระบวนกศึกเป็นอันมากก็เวลาวานเนี่ย เราก็แปลงกระบวนศึกถึง365กระบวนแต่เปงนายก็เห็นสีมืออยู่แล้วซึ่งให้หนังสือมาว่าจะออกตั้งกระบวนศึกรบกันอีกนั้นก็เหมือนดังเอาหญ้ามาสู้กับดาบอันคมเห็นว่าเป็นกลอุบายลวงเราหรอกท่างทั้งปวงนี่จะเห็นประการใดอย่างไรบ้างหรือไม่ วันแพ่ไปด้วยกระบวนศึกอันนี้แต่กลับมาท้าให้ตั้งกระบวนการข่ายกลรบกันอีกอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ที่ไหนถือว่านี่เป็นกลอุบายรวมเราหรอกท่านรัฐบเห็นประการใดอย่างไรบ้างหรือไม่เลียวหัวก็จริงว่าท้านพรเจ้าแจ้งอยู่อันกลอุบายของเต ง, งานเนี่ยเห็นจะรวมเราให้ออกไปตั้งกระบวนศึก แล้วก็จะซุ่มอยู่ด้านหลังคอยทิ้งเอาค่ายของเราต่อภายหลังเป็นมั่นคมเรียวหัวกล่าวดังนี้เกียงอุยก็ถึงว่าทิศทางว่ามานี้ครกต้องด้วยน้ำใจเราคิดแล้วแล้วเกียงอุยก็เรียวหัวกับเตียวเอกคุมฐาหมื่นนึงออกไปซุ่มอยู่หลังเขาครั้งเวลาเชา้าซุ่มมาปอง ก็ยกฐานมาตั้งอยู่มายุติภูมิเขา <S <S e N U e กีสางเอียนอุยก็ยกฐานหลอกจากท่ายตั้งประกันหน้ากันอยู่แล้ <S <S วเอีนอุยก็ขับมาออกมาหน้าฐานน้พวงร้องว่าแกสุมาปองว่ะให้ตั้งกระบวนกศึกให้เราดูก่อนเถอะเราจะขอชมสัหน่อยสุมาปองก็แยกฐานหลอกตั้งไปกระบวนศึกปัดกวัวติ้ อูเห็นี่นั่นกระเราก็ถือว่ากระวกรกบวนนั้นนะเราตั้งให้ดูอย่างแต่เวลาวานนี้แล้วเราคิดว่าท่านจะมีวิชาประหลาดลึกซึ้งจึงอุตาออกมาสุมาปองกถว่าถึงตัวท่านก็จะรู้ไปกไกลนักหากันกับเราเชียวโดวยเร า, าก็เรียนวิชามาเหมือนกันเกงวยก็ถามว่ากระบวนนั้ น, นี จะกลับกลายเปลี่ยนแปลงประการไดอย่างไรได้บัางสุมาปองก็หัวเราะแล้วก็จีงว่ากระบวนรศึกอันนี้เรากลับกลายเปลี่ยนแปลงออกไปได้ถึง8ออย่างแล้วสุมาปองก็บบกธงให้ทหารแปลกระบวนรศึกออกเป็นกระบวนต่างๆให้เก่งอุยดูอ่ะแล้วก็ร้องว่าท่านเห็นความรู้ของเราหรือยัง เกียงอุ้ยก็หวรเราะแล้ก็ร้องตอบกระบวนการศึกอันเนี้ยเราสามารถกลับกลายออกมาได้ถึงส65อย่างแต่เราก็จำมานในเรื่องเป็นอันมากแล้วเราก็จำมานในเรื่องเป็นอันมากสุมาเกียงอุ้ยบอกอย่างนี้เนื่อสุมาบอกถามเกียงอุยว่า รู้เห็นใ น, ในประการใดอย่างไรในงานเปลี่ยนแปลงกระบวนทัพกระบวนทหารต่างๆในนาประการแต่จริงก็บอกว่ากระบวนกาัเนี้เ่ยเราสามารถตรับระดบในแรประอยหกสิบหอย่างแล้วเราก็ชำมาในเรื่องยามเป็นอันมากนุมาฟองพึ่งว่าท่านตัวตัวนั้นมันเกินไปไหมแม้ว่ารู้จริงก็จงสำแดงให้เรารู้ ตอนนี้สุมาฟองตอบเพียงทต้องการจะก้าไท้ทียเพลินอยู่กับการสู้รบรังนี้เพราะหวังที่เชฟเตงไงเตงนี่หน้าหลังเข้ามาอาก็จิเตงกล่าวทไอย่างนี้เทียนอุยก็ดีกว่าแม้ท่านจะใช้เรียนวิชาของเราก็ให้รียนเตาไเราจะทำให้ดีสุมาองก็ตอบว่าเตงไงเป็นแม่ท้าผู้ใหญ่ ไม่สมควรจะมารบกับท่านรบกจึงไม่จาเป็นต้องยกออมาเกียรคุยก็รบแล้วก็จังหวะซึ่งนายทำมโนมุบายให้ทนมาวงเราหวังจะเข้าทิ้งเอาค่าเลคืเนี่เราก็รู้อยู่แล้วเกียร์ุยบอกอนี้เลยว่ารู้สุมมาปเห็นว่าเกียร์ุยรู้ก็โรธ ใช้ฐานเข้ารบกินอุ้ยกินอุยกมบกรบ่เป็นสามทหารเสียวนทหารเกรอย่าันมาปองล้มตาเป็นอันมาเดียวขุมมาปองเห็นเลือกังก็าแต่หนีไป เพื่อจะชิงค่ายเก่งอุอ้ยหรือเรียกว่าชิงค่ายเก่าของต้นคืนนี่แหละออพอเรียวข้างเขาเขามาใกล้จะถึงค่าย อ, ะอ่ะ ก, ก็เห็นฐานกองยกสะกัดออกมาเลียวหัวเลยเลียวหัวหัวฐานออกมารบกับเตงหลเลียวหัวเนี่ยฝีมือดีเลียวหัวนี่เป็นฐานเก่าผู้นึงเรียกว่าฐานคู่บุญกวนอูแต่ก่อนนะ เลียวเว้ตะรุยกระมาเอาดาบฟันถูกเตงหลุนตกมาตายเลยเต ง, งางเห็นมัยก็ตกใจควบมาพาถางหนีเดี๋ยวเอกก็ยกทางไร้ตามไปเอาเกาทางระดมยิงไปถูกทางเตงไงล้มตายไปนานมากตัวเตงไงนั้นก็ถูกเกาฐางถึงสี่แผลแล้วก็พาฐางรีบหนีกลับไปค่ายก็พอดีสุมาปอง หนีเก้ยอุยมาเหมือนกันมาถึงเขากลับมาถึงค่ายเหมือนกันเป็นไงก็จริงว่าบัตรเนี้ยเราจะทำประการใดอ่ะเกียงอุยจึงจะถอยทับไปได้คือต่างฝ่ายต่างก็รู้ละ ว, ว่าแผงการครั้งนี้ไม่สําเร็จเลยสุมาปองก็จริงว่าในเมืองเสฉวนทุกวันเนี้ย พระเจ้าเราเสียนก็ไม่น้ำพาที่จะวารจัดการนับถือเชื่อฟังแต่ฮุยโหครั้งทีแต่ผู้เดียวขอให้ท่านแต่งหนังสือและสิ่งของให้จงมาให้ไปถึงฮุยโหให้หฮุยโหกราบทูลพระเจ้าเราเสียนให้มีหนังสือรับสั่งเรียกหากองทัพเกีมอุยกลับไปเราจะได้ทีทําการได้ถนัด มีสุมาปองและอุบายแห้แก่ตงไงเช่นนี้มันก็เป็นอุบายที่พอจะกระทำได้ทีเดียวล่ะเตงไงก็ประกาศแก่ฐา น, น, นทังปวงในทีนั้นว่าพูดได้จะอาสาไปเจราจากับุีโฮขังทีเสฉวนผู้นี้ได้บ้างล่ะกองจินก็รับอาสาที่เรียกว่าขบเจ้าจะขออาสาไปเอง แงก็มีควา ม, มินดีจัดแจเงินทองข้าวของปลอยแหวนสิ่งของเงินดีมีราคาเปน็นันมากทีเดียวละหมอไถแกต้องกินต้องกินกอรับข่าวของทางพวงคณาปลาอ่คณาปลาแตงาแล้วก็ออกเดินทางจา ก, กทุ่งกีสายไปยังเมืองเสฉวนเมื่อไปถึงเสฉวนก็เข้าไปหาวีโ อาสิ่งของทั้งสิ่งทั้งปวงนั้นให้แล้วก็กล่าวอ้อนวอนว่าขอให้ท่านหาทางเรียกหากองทัพเกณฑ์อุ้ยกลับมาเถอะฝ่ายฮุยโฮขังทีผู้นี้เป็นคนโลกเห็นแก่ทรัพย์เมื่อเขาเขาของเงินทองเข้าขอมมากมายมีค่ามีราคาทั้งสิ่งทั้งปวงไม่เช่นนั้นนะ่ะก็จึงคิดกนอุบาย คนสนิทไปเที่ยวพูดกันทีเดีย ว, ว่าเพียงอุยนะ่ะจะพากองทัพทั้งปวงไปเข้าด้วยสุมาเจียวนี่ส่งคนีไปพูดอย่างนี้ไปเป่าข่าวเช่นนี้ติศัพท์นี่ก็เริ่มรือไปทั้งเมืองเสฉวนทีเดียวแล้วฮุยโหนั้นก็กลับเอาเนื้อควางเนี่ยติจนสร้างขึ้นสถานาการณ์ทติจนสร้างขึ้นเนี่ยเขาไปทุนพระเจ้าเราเสียน ตัาบาดเนี้ยเห็นเกียงอุยเจ้าใจออกห่ะเป็นแน่แล้วคงจะไปเข้าด้วยวุยกกเป็นแน่นี่วิโฮเนื้อความมี่ไปบอกทีเดียวพระเจ้าเราเซียนฟังก็แคลงใจนะเพราะเกียงอุยเนี่ยถ้าจะกล่าวจริงๆแล้วแต่ก่อนนู้นก่อนที่จะมาอยู่กับมหาอุปราชหกหลงผงเบ้งนะ อุยนี่ก็เป็นพวกโจโยอยอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าเราเสียนก็จึงมีน้สือรับสั่งเรียกหาองทัพเกียงอุยให้รีบกลับมาเป็นการด่วน วก่ก่งอุ้ยชัยชนะเต็งไงทีเดียวรู้เท่าทางกลัวไม้แก้ไขเหตุการณ์ได้เอาชัยชนะได้เต็งไงก็บาดเจ็บไปด้วยเนี่ยเก่งอุ้ยเคายกกองทัพไปตั้งประชิศอยู่เป็นหลายวันก็ไม่เห็นเป็นไงเอามาสู้รบใครฐานเข้าไปร้องดาทธาไทายให้ออกมารบกันไปช่วยกันจากช้านานอะไรกันเต็งไงก็มีออกมารบด้วย ขาะ น, นั้นก็พอดีทหารถือหสือรับสาร ม, มาจากเมืองเสฉวนมาถึงเกียงอุยเกียงอุยก็ไม่ได้แจ้งว่าพระเจ้าเราเสียงจะมีกิจธุรประการใดอย่างไรรับหนังเสือแร่ ว, วัยเรียกกลับให้กลับเสฉวนเป็นการด่วนเนี่ยก็หมาร่วมมีกิจมีธุรประการใดเกิดอะไรอย่างไรขึ้นก็จัดแจงกองทัพจะถอยทัพกลับเสฉวนตามคําสั่งพระเจ้าเราเสียงเลี้ยวหัว จริงวความจริงัตรนี้อ่ยัยงอุยทนายทัพ ก, ก็เทียบเท่าเป็นมหาอุปราชอยู่เมื่อจะยกกองทัพมานั่นก็ได้กราบทูลพระเจ้าเราเสียนว่าจะทำการให้สำเร็จซึ่งมีหนังสือรับสั่งมานี้ให้ท่านยับยังตอบโต้ดูก่นประไรว่ามีพระประสงค์สิ่งใดเลียวหัวกล่าวอย่างนี้ เอ็กก็ถือว่แกเลียวหัววะ่ะซึ่งท่าจะขัดรับสั่งมันไม่ชอบประการหนึ่งแต่เรายกกองทรรมาทําการและตำบล น, นี้อ่ะก็เสียทีหลายครั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะบัดนี้เราก็รบได้ ช, ชัชนะเป็นเรื่องอยู่แล้วแม้กลับไปบ้านเมืองเอาใจทะลุบำรุงทาหารในบ้บริบูรณ์ถึงแล้วยกกลับมาทําการอีกก็เห็นจะไม่ขัดสนกะไรนะ อีฟังเตียวเอ็กกล่าวดังนี้นก็เห็นด้วยดียพอสําคัญดูตรงที่ว่านี้อาจจะขัดรับสั่งได้เนี่ยเกียงอุยก็จึงจัดแจงยกฐานออกจากค่ายให้เลี้ยวหัวเตียวเอ็กคุมทหารป้องกันเป็นกองหลังไปฝ่ายเตงไงกับซูมาปองรั่วเกียงอุยจะกลับเมืองเสฉวนก็ยกฐานไล่าตามไป ก็เห็นกองทัพเลียวหัวเลียวเอ็กป้องกังหลังนั้นมั่นคงนะเห็นจะติดตามไปก็ไม่ได้ก็จะได้ถอยกลับมานะ่าขเขากีสังเป็นว่าเกียนอุย้ยจำต้องถอยในครั้งนี้ด้วยอุบายของเตงหงเชยย่นเกีย็นอุย้ย เห็นเสฉวนแล้วแจ้งเนื้อความทั้งบววแล้วก็เข้าไปเศ้าพระเจ้าเราเซนก็ทูลถามว่าพราะองค์ให้หาข้าพเจ้ามาเนี้มีกิจธุรประการใดพระเจ้าเราเซนก็จึงปรัสว่าเราเห็นท่านยกไปครั้งนี้ช้านานนักเกรงว่าพรายผลจะได้ความเดือดร้อนเราจึงให้หามา เรียกห้กลับมาก็เพื่อหวังใจให้ทะลุบำรุงทหารเสียก่อนพระเจ้าเราเซนรัดดังนี้เกียงอุยก็จึงทูลว่าข้าพรเจ้าไปทําการครั้งนี้ก็ได้ทวงทีเป็นอันมากหมายว่าจะได้ความชอบอยู่แล้วซึ่งต้องถอยทัพกลับมานี้เห็นจะเป็นคนอุบายของเต็งนายคิดอะไรก็ทําเอาพระเจ้าเราเสียนคนหนึ่งอยู่ ประการใดด้วยครางแครงพระไทยว่าเจียวอวีจะไปเข้ากับซูมาเจียวจะไปอยู่กับวีกโกกลกเอียงแต่เมื่อมีเรื่อหายกลาบเขาก็กลาบมาไม่ได้มีอันใดประการใดอย่างไรเลยเช่นเนี้ยก็ไม่ได้กลัดประการใดอันนี้ดูดูไปก็คล้ายครั้งที่หกหลวงคงเบ่งถูกเรียกตัวกลับเหมือนกันในครั้งนั้นกกระทําการได้ทงมากอยู่ แต่บัดนี้ดูมันคล้ายคลึงกันมากอยู่ทีเดียวล่ะเกีงอุยนะจึงทูลว่าตัวข้าพเจ้านี้ตั้งใจจะทำการสนองพระคุณปราบปรามเส้นศัตรูให้สิ้นในจงได้ควรหรือเพราะมาเชื่อฟังไอ้คนเล็กน้อยปากตลาดมาคิดสงสัยขา้าพเจ้าไปเปล่าๆเช่นนี้เกีงอุย ก, กล่าวอย่างนี้ พระเจ้าเราสิน่นเลี้ยก็สะดุ้งพระไทยก็จึงกลาดว่าอันเราจะได้คิดสงสัยทั้งแต่ประการใดอย่างไรก็หามิได้ถ้าท่านได้ทีทําการอยู่แล้วจะยกไปตั้งอยู่เมืองหันตงคอยตีเมืองวีโกกก็ตามเถอะพระเจ้าเราเสด็จกลราวดังนี้คือกระทำเหมือนเมื่อครั้งมาปราหลคงเป็นกระทำก็เอาเถอะคือไปตั้งกองอยู่ที่หันตงนเลยอะ่ะ เก่งง่ายแต่การที่จะยกเขาลกเหียงเกียงอุได้ฝันั้ก็ทอดใจใหญ่แตวาดบางคมลาออกมาแล้วก็จัดแจงกองทัพยกออกจากเสฉวยไปตั้งอยู่ณเมืองหันตง วันนั้นบัตรนี้ก็แปรปรวนหาเป็นขนมทางเหนือมไมเจ้าข่าก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันแรกกันนานไปเสฉวนจะเป็นศึกเป็นภัยขึ้นเองตองกินกล่าวดังนี้แต่ไง่ายได้ฟังก็มีความยินดีละก็ให้ตองกินรีบเอาเนื้อความเนี่ยไปแจ้งแกสุมาเจียวหนะ้าเมืองลกเหียงสุมาเจียว ได้แจ้งดังนั้นก็ดีใจดีใจในความมิบัดของศัตรูนะก็ดีใจละก็คิดว่าเห็นเราจะทำการได้เมืองเสฉวนครั้งนี้เป็นมั่นคงสุมาเกียวก็ถามแกชงซึ่งเป็นนายฐานผู้ใหญ่ในที่นั้นว่าบัดนี้เราจะคิดอ่านยกกองทัพไปรบเอาเมืองเสฉวนบ้างท่านเห็นประการใดแกชงก็จึงว่า บัดนี้พระเจ้าโจมอก็คิดสงสัยเราอยู่ซึ่งทางจะยกไปนั้นเห็นจะขัดสนอันหนึ่งเมื่อปีที่ร่วมไปแล้วนั้นมังกรลงอยู่ในสะนึลงเหลงสองตัวขุนนานทั้งปวงทูลพระเจ้าโจมอว่าจะเป็นมงคลแก่บ้านเมืองพระเจ้าโจมอจึงตรัสว่า ธรรมดามงกอ น, นั้นก็มีแต่สำแดงฤทธิเดชอยู่ในกลางอากาศและในพระหมหาสมุแต่บัดเนี่ยตกลงมาถูกขังอยู่ในสัพท์เล็งงท่ทั้งปวงจะว่าเป็นมงคนนั้นไม่ได้เราไม่เห็นด้วยพระเจ้าจูมอได้แต่งโครงสี่บทเปรียบไว้เป็นใจความว่ า, านนมังกรอมีฤทธิ์เดช ก็อสจานตกลงมาขังอยู่ในสระให้ปลาเล็กปลาน้อยล่วงดูถูกก็ประมาณเหมืนตัวเรานี้มีแต่ผู้บิดเบียนให้ได้ความเดือดร้อนนีแกชงเก็บเอกความนี้มาบอกแกสุมาเจียวสุมาเจียวก็โกรธทีเดียวก็ว่าแกแกชงว่าอัโจมอเนี่ยถ้าเราจะนิ่งไว้นานไปก็จะเหมือนโจหอง จำเราจะต้องคิดอ่านกำจัดเสียจึงจะชอบคู้สุมาเกียวาดังนั้นเนี่ยแกฉมก็จริงว่าที่ท่านคิดนี้ชอบมากข้าพเจ้าจะขออาสาคิดอ่านกำจัดโจมอให้จงได้นีแกโฉม ว่าอย่างนี้เลยท่านคนสนิทนี้ขนาดนั้นพระเจ้าโจโมอนะสวมราชสมบัติได้ห้าปีแล้วผ่านไปได้ห้าปีละตั้งแต่โจห้องถูกถอดไปโจมอได้ขึ้นมาครองสมบัติได้ห้าปีตอนนี้ก็อยู่ในราปีพุทธศักราช803สาครั้งถึงเดือนเเสร็จออกขุนนางเฝ้าพร้อมกันสุ ม, มาเกียว ก็ถือกระบี่เข้าไปเฝ้านี่คือวิธีการชิมรางดูลองดูคุณนานก็กลาาถือพระเจ้าโจมอว่าสุมาเจียวมีความชอบป็นมันมากขอให้พระองค์ตั้งให้สุมาเจียวเป็นมาอุปราชเถิดจะได้ช่วยราชการสืบไปพระเจ้าโจมอ็นนี้อยู่ม่ได้กขาดประการใดยะ สุมาจิวเห็นกริยาพระเจ้าโจมอเลยก็โกรธก็ร้องขึ้นมาบิดาเรากับพี่เราก็มีความชอบต่อแผ่นดินนี้เป็นอันมากอันตัวเราเนี้ไม่ควรที่จะเป็นที่มหาอุปราชเจืรืมีสุมาจิ ว, ว่าอย่างนี้เลยคือจะเอาให้ได้พระเจ้าเจมอนั้นก็กรับประชดว่าท่านมีความชอบอยู่แล้ว จะเป็นมหมาอุปราชก็ตามใจใเธอใครจะอาจขัดท่านได้ทูมาเกี่ยวเลยฝันก็ยิงโกรธนะก็ถึงว่าแต่พระเจ้าจูมอว่าตัวเราทําปรชาชการมีความชอบในนั้นมากท่านเห็นว่าจะคุณเราทำโครงเปรียบเทียบเราต่างๆคือ ท, ที่พระเจ้จมอเขียนโครงไม่ทําเปรียบเทียบไว้ท่านทํำหนังนี้เห็นชอบอยู่แล้วหรืพระเจ้าจูมอง จะเป็นกระสั์แต่เมื่อไม่มีอำนาจเดียร์ชะนี้จะทำประการใดได้ได้ไดก็แต่นิ่งนี่ไ่โตตอบประการใดสุมาจิลนนก็มิได้ถวายบังคมไปเจ้าโจมอทำเป็นหวเราะและก็ลุกขึ้นเดินออกจากที่ฝาบฝ่ายพระเจ้าโจมอนั้นก็เสด็จกลับ้าไปข้างใหก็จึง้เรียกหาองสินมึงองเก่งมึง องเงียบหนึ่งส่เป็นคุณนายผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้สุมาเจียวกระทำบางอาจหยาบช้าเห็นจะเป็นขบถทิท้งราชสมบัติเราท่านทั้งปวงจะคิดอ่านประการใดองเก่งก็ถืว่าพระองค์อย่าพแพิ่งแพ้คลายความไปก่อนเลยสุมาเจียวเป็นคุณนายผู้ใหญ่มีสติปัญญา เมื่อมีกาลังยในตัมบูเนังมาคุณนางกระฐาน ท, ทั้งปวงอยู่ในอมนามของสุมาเทียวสินเมื่อสุมาเทียรู้เนื้ความไปก็จะเกิดเหตุใหญ่ไม่สมความคิดเราพระเจ้าโจมอก็จึงกล่าวซึ่งสุมาเทียวทำหยาบช้าชะนี้เราน้อยใจนะถึงแม้แต่ว่าจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่เราจะทำการให้หายแค่ไม่จงได้ เจ้าโจมอด ก, กลับดังนี้แล้วก็เสด็จกลับเข้าไปหามารด า, ฝาเฝ้าเนื้อความอาเหล่าเนื้อความเพื่อช่วยน้ำพัวนี่เหตุการณ์ผู้ประการล่ะเอืนน้พระเจ้าโจมอดเสด็จก็ไปข้างในแล้วองซินก็ว่าแกองเงียบว่าพระเจ้าโจมอดนี่มีความแค้มสุมาเจียวนะ เห็นจะทําทำหักหาหนอุบิโทโซเป็นแน่แม่ซูมาเตียวรู้สืบสาวได้เนื้อความว่าเราถูกเรียกตัวมาปรึกษาก็จะเป็นผู้ร่วมคิดรู้เห็นด้วยชะนี้เนี่ยเราก็จะพากันตายช่นทั้งโคตรหรอกจำจะต้องคิดอ่านเอาเนื้อความตั้งสิบนิดไปบอกสุมาเตียวซะก่อนเห็นว่าเราจะพ้นผิด แลวจะมีความชอบไปภายหน้าอองเงียบเบ็ดฟังอองซินว่าอย่างนั้นก็เห็นด้วยอองเต่งก็ว่าแกอองซินว่าพระเจ้าโจมอเจ้าเราอะเบ็ดความเดือดร้อนเราควรจะสนองคุณเจ้าเราจนกว่าจะสิ้นชีวิตซึ่งท่านทั้งสองจะกระทําดังนี้เนี่ยนี่คือคิดทรยศต่อเจ้าเป็นสองใจนั้นเราไม่เห็นด้วย แล้วองเก่งก็ห่างปลามอ๋อองสิองเงียบเป็นอันมากทีเดียวแต่องสิมองเงียบนั้นก็ไม่ฟังพากันเข้าไปหาสุมาเกียวแล้วก็แจ้งเนื้อความทั้งที่ทั้งพวงนี้ให้สุมาเกียวได้ทราบทุกประการ แล้วเจ้าโ จ, าจามอเนื่องเข้าไปเล่าควา ม, มทั้งสิ่นทั้งตวงให้มารดาฟามปรึกษาการแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ขึ้นรถถือกระบี่เรียกคุนนางทหารประมาณ300ส0 0รอยเศษยกไปบ้านสุมาจยวเลยฝ่ายองเกิงนี่แสบองผู้ทัพิ์สิทธิเห็นดังนั้นก็เข้าไปกราบลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ทูลว่าซึ่งพรงเจะยกทหารส0มร้ไปรบกับสุมาจยวนั้น อุปรมาเสมือนหินต้อนแพะเข้าไปในปากเสือขอปรองจงยับยั้งไว้ก่อนตัวข้าไเจ้านี้ใช่จะรักชีวิตตัวก็หาหนี้ได้ตั้งใจจะทำราชการจะรองปรเป็นเล่พระคุณดีกว่าจะสิ้นชีวิตแต่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าจะไปทำการนบัตินี้ก็จะพากันตายเชื่อเปล่าหาได้ทวงทีประการใดไม่ขอปรองจงยับยั้งไว้ก่อนเถอะ กองเก่งไปทุนทัดทานไว้อย่างนี้เคยยับยังไว้ก่อนแต่พระเจ้าโจมอนั้นก็มีฝันให้เร่งยกฐันออกจากวังเพื่อกัรโทรโสแหะพอไปถึงประตู เ, เรียวประตูวังเหมือนกันของซูมาเจียวก็เห็นแก่โฉงขี่ม้าถือทวนอยู่เซงจุยอยู่ขวาเซงเจอยู่ซ้าย คุณทหนรพันม่งฟันเข้ามาพระเจ้าโจยอก็ตกใจจับระเบีขึ้นกวาดแกวงแล้วก็ร้องว่าตัวเราเป็นกษสัตรไอ้เรานี้เกิดทำมันอาจหัดหางเข้ามาจะทำร้ายเราเนรฝ่ายทหารพวกนั้นก็ก็ยังคิดวันเกรงอยู่ก็ไม่อาจจะหัดหางลงมือจับอุมได้บางก็ต้องถอยออกไปเหมือนกันแหละ ของของแกฉงเนไม่กล้ามือนกันเป็นแอาากอาญาสิกด้วยแกฉงก็จะอยากแกเซงเกว่ า, วาซุ่งมหาอุปราชทุบเรียนตัวมาก็ประสงค์ในการเท่านี้มีประสงค์วยการเท่านี้แบนี้ได้ช่วงทีอยู่แล้วเหตุฉะไหนจึงนิ่งเชื่ไม่เร่กระทําการหรอกเซงเจก็จึงถา ม, ามา ว, ว่าท่านเทคฆ่าเซลหรือหรือที่จับตัวไว้ แกสงุจวัตสุมาเจียวสั่งมาว่าได้ท่วงทีแล้วก็ฆ่าเสเถอะเสงเจได้ฟังดังนั้นก็ถืงเงาควบมากตรง้าไปถึงหน้ารถพระที่นั่งละพระเจ้าโจมอก็ประวัยเอาทีเว่ามึงจะคิดขบถตัวกูหรือเสงเจก็อาเงาแทงพระเจ้าโจมอผูกเขาติดอกพลัดตกลงจากรถสง่งแล้วก็เอาเงามาฟันซ้ำ พระเจ้าโ จ, าจามองตัตาอยู่ริมรถที่นั่งมันเองเจียวเป็กสึวนมินุนาปุ๋ยใหญ่มันก็โกรธควบมากขามารบกับเซงเจอเซิงเจก็งาฟันถูกเจียวเป็กตกมาตายไปคนหนึ่งทหารทั้งปวงก็แตกกระจัดกระจายไปเลยทีเดียวอองเกง๋งอองเก๋งผู้สั์ซื่อนะหเหตุฉะนั้นก็ร้องด่าไอ้โจรขบฏนิงบานอาจฆ่ระมา ก, ก, ากษัตริย์เหรอ แกสงก็สั่งถามให้เขาจาับปวองเก็งให้แก่ซุมาเกียวแล้วก็แจ้งเนื้อความทั้งปวงให้ฟังทุกประการซุมาเกียวพอทราบความแล้วเท่านี้คือที่สำคัญก็คือพระเจ้าโจมอเรียกว่าสเสด็จสวรรค์โคตแล้วนี่าอาวาย่างนี่ซุมาเกียวทั้งเป็โตกใจขึ้นมาพาฐานเข้าไปในวังเห็นพระเจ้าโจมอ นอนตายปลิ้งอยู่ที่ริมรถมันนะ่ะสุมาเกียก็เข้าไปขมามาถวายามังคมก็บทําเป็นร้องไห้รํารําพันไปเป็ น, น, นมากทีเดียวนี่ต้องต้องกระทําอย่างนี้คืแสดงวบฉันมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งแล้วใครเรียกหาคุณนายคุณยาคุน้อยมาพร้อมกันสุมาหูสุมาหูนะครับไม่ใช่สุมาสูนะซอเสือกระเพิน แต่การออกเสียงอาจจะคล้ายกันเป็นม้างสุ ม, มาหูสม่งเป็นผูผู้ใหญ่นั้นก็ร้องไา้กับมัฟศพพระเจ้าโจมอแล้วก็ว่าดซึ่งไอ้ผู้ร้ายบางอาจร่วงเข้ามาทามันตรายพระองค์นั้นโทษกับบรเจ้าก็ผิดอยู่เป็นเหมืนมากแล้วก็ชวนกันทําศพพระเจ้าโจมอตามประเพณีกษัตริย์เชิญพระศพขึ้นไปไว้บนตําหนักใหญ่ขานที่ตะวันตกและสุ ม, มาเจียก็พาผู้ น, า น, านข้าไปณนะที่สเสด็จออก ก็พอดีต้านไถ่ใส่เสื้อปอมัวปอนี่คือเครื่องแต่งกายไว้ทุกอะกเขาไปทนับศพและต้านไถ่นี่เป็นขุนนางเก่าขุนนางผู้ใหญ่แม่ทัพสำคัญคนหนึ่งทีเดียวได้ประจุมประจันกับเ ก, กียรติีมันัตตอนนักแล้วเนี่ยต้านไถ่คนนี้ต้านไถ่ไเขามาในที่ประชุมขุนนางสมาเจียว็ุนินพูดขึ้นว่าบัดนี้ มีผู้ทำร้ายพระเจ้าโจมอหรือซึ่งพระชนท่านทั้งปวจะปรึกษาโทษประการใดต้านทายต้านทายก็จริงว่าซึ่งเกิดเหตุท้งนี้เพราะแกะฉงผู้เดียวขอให้ท่านเอาแกฉงมาฆ่าที่จริงจะชอบมี่ต้านทายกล่าวอย่างนี้ซึ่งความจริก็จริงอ่ะจริงของต้านทาย จริงของพระเจ้าโจมอรจริงของผู้ติดสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินจริงแต่มันมันจะเป็นจริงไปไม่ได้สำหรับสุมาเจยวเพราะแกะชงไม่ปูก็ททำการผู้ประการเพื่อสุมาเจยวได้ขึ้นครองอรสมบัตรนี้สุมาจยวได้ฟังต้านท้ายว่าดังนั้นน่ะก็ขัดใจนิ่งอยู่แล้วก็จริงว่าสิ่งใจะให้ข่าแกฉงเช่ั้นจะ ต, ต้อง แห้คิดดูใหม่ก่อนต้าน่ายก็จริงว่าตัวขบเจ้าเดพิจรารณาดูตามทําเนียมก็เห็นแต่เท่านี้โดยแก้ชงเปนน็นผู้กระทำการนี้สุมาเจียวก็จริงว่าแก่ชง ม, มาด้วยกับทหารก็จริงแต่แก้ชงหาได้รงมือไหมเซงเจต่างหาก ที่เป็นหมดควรจะข่าเกิงเจี๋ยถึงสามชั่วโคตรและจึงจะชอบนี่สุมาจิลก็ทำอย่างนี้ดื้อล่ะนี่นี่นี้เป็นธรรมดาต้องเรียกว่านี้เป็นธรรมดาของผู้มีอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ก็จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตใครตกใครเพื่อการส้างสถานการณ์ให้ปมนิ่งใหญ่อยู่เนี่ย มันจะต้องเป็นอย่างมันเพื่อความถูกความค ว, มควรตามที่เขาคิดเท่านั้นนะก็ว่าต้องขาเซงเจ๋อใช่สามชั่วโคตรเซงเจผู้กว่จะกระทำการได้นี่ต้องแกฉงออกคำสั่งบังคับว่าทํานาปราชสั่งมาเนี่ยเซงเจก็ถือว่าตนจะกราทำตามคำสั่งอะ่ะได้ฟังซูมาเจียวกล่าวดังนั้นวิจิตรนจะต้องตาจะตผู้เดียวเมื่อไรสามชั่วโคตรนี่ เสงเจก็กกรวร้องตอบสุมาจียวทีเดี ว, ว่าเหตุไหนท่านจะมาเอาโทษแก่เราแกโฉงบังทับเราว่าท่านสั่งให้ฆ่าพระเจ้าโจหมอเสียเราเกรงอาญาท่านจึงทำตามหรอกสุมาจียวก็จึงบัวเป็นขบถทําร้ายเจ้าแผ่นดินแล้ว่ามาเทเาจชนทีอีกแล้ว ว่าแล้วก็สั่งฐานให้เอาตัวเซิงเจไปตัดสินตัดสินแล้วก็ให้ฆ่าเสียเซิงเจถูกคิดว่าการกระทำของตนนี้จะเป็นผลดีแก่ตนบ้างแต่ที่ได้รับตอบแทนก็คือความตายและไม่ใช่แต่ตนเท่านั้นน่ะสมัครภาคโทอีกละ่ะญาติพี่น้องสาโคตรยัไม่ถึงเจ็ดชั่วโคตรก็ บ, บุญแล้ว สามชั่วโคตรนีเซิงเจ๋อโกรธนักทีเดียวที่จะไม่รับผลตอบแทนเท่านี้ก็ร้องด่าสุมาเจียวจนกระทั่งทหารลงหนักถึงกับความตายร้องด่าจนขาดใจตายนหะสุมาเจียวค่หานไปเอาตัวเซงจุยซึ่งเป็นน้องของเซงเจ๋และสมัพระพวกทั้งพวงสามชั่วโคตรอ่ะเอาไปฆ่าเสียสิ้น แล้วค่เอาตัวองเก่งหรือสมัครมาพวกองเก่งทั้งวงเข้ามาด้วยองเก่งเมื่อเข้ามาแล้วอ่าองเก็งนี่ยก็คมัดมารดาร้องไห้แล้วก็ว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรก็อยังนี้ได้แทนคุณเลยบัดนี้มาต้องโทษด้วยจะนี้หรอกคือองเก็งนี่เรียกว่าเป็นข้าพระเจ้าโจมออก รู้ ว, ว่าตนจะต้องตายแน่ก็คอยคำนับมารดาแล้วก็รมพันท์เนี่ยมารดาขององ์เก่งนั่นก็เป็นหญิงหนึ่งที่ควรกิดตามสรรเสริญยิ่งมางได้ฟังบุตรชายรมพันใ์นั้นก็กลับอวรเลาแล้วก็พูดว่าเกิดมาแล้วจะหนีความตายไปไหนพ้นตัวเราเกิดตายก็ไม่เสียนายชีวิตเพราะมีความศักดิ์ มีกระตังอยู่ต่อเจ้ามีแต่จะปรากฏชื่อไปภายมากมารดาขององเก่งกล่าวดังซูมาเกียวยันให้ฐานเอาตัวองเก่งสมัครพรรคพวกไปฆ่าสิ้นทั้งโคดชาวเมืองทั้งปวงเห็นได้ไ้นก็ร้องไห้รักทุกตัวคนแหละจากนั้นสุมาเกียวค่อยเชิญพระสพพระเจ้าโจมอไปฟังไว้ตามประเปกษัตริย์แก่ฉุน ผูกกระทการนี้ได้ผลตอบแทนแกโฉงก็ทําหน้าทีปรึกษาคุณนางตั้งหลายตังปวงลักว่าบัตรเนี้ยแซ่โจรเราก็มองไม่เห็นตัวแล้วเราจะเชิญสุมาจีอืขึ้นครองเราจะสมบัติทัานจะว่าประการได้แก่ฉงออกหน้าใหญ่ประกาศอย่างนี้เลยสุมาจีแล ก, ก็พูดแบบเมี่ยเพระเจ้าวีอ๋องเป็นใหญ่นั้น พระเจ้าวิอองก็หมายถึงโจโฉท่านจะกล่าวใหม่ว่าเมื่อพระเจ้โจโฉเป็นใหญ่นั้ น, นก็หาด้วยครองสมบัติใหม่หนี่อันเรานี้ก็จะช่วยทะลุบำรุงแผ่นดินเหมือนพระเจ้าวิอองนั่นแหละแกฉงเนี่ยรู้ใจสุมาเกียวได้ดีรู้ความคิดสุมาเกียวได้ตลอดว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยสุมาเกียวเนี่ย ต้องการที่เจะเอาก็จะสมบัครเนี่ยไว้ให้แกสูมาเอียนผู้เป็นมุกที่ไม่ใช่ไม่เอาเอาแต่ยังไม่เอาแม่บัตนี้แกโฉนี่รู้ความคิดอยู่เพราะเป็นคนใกล้ชิดที่ปรึกษาสํสาสคัญอยู่นี่แกโฉนี่ก็จริงนี่นีไ่ได้ตอบประการใดนณะเมื่อพระเจ้าโจยอเออพระเจ้าโจมอ สวรรค์โคตรแล้วนั้นน่ะเป็นเดือนเก้าทางขึ้นครองไปจริญสมบัติมาได้ห้าปีอะสุมาจิ๋วนั้นก็เชิญโจ ว, วนผู้เป็นหลานของโจโฉเป็นหลานของพระเจ้าวิอ๋องขึ้นครองไปจริญสมบัตินับสักสารปีนั้นเป็นปมในราชการพระเจ้าโจฮ ว, วน ปีนั้นก็ยังคงเป็นปีพู้จหลัปดอยสามอยู่พระเจ้าโจหวนผู<ม>้ได้ขึ้นครองราชสมบัติใหม่นี้ก่อกระทำดังที่เคยกระทากันมาตามประเพณีคือตั้งสุมาเจียวเป็นมหาอุป ร, ราชไม่ตั้งก็ต้องตั้งนะและพระชาราเงินสิบมืนช่างนีแพ้อย่างดีสิบ0มืนพั กับเครื่องสำหรับยศและก็ต่างทหารจูง ม, มีความชอบให้เป็นคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยพระเจาทานบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากตามประเพณีมีเป็นความวุ่นวายทังแปรเปลี่ยนไปของ วิกอปการเช่นเนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่ายิ่ดีสําหรับฝ่ายตรงข้ามยิ่งนะละ่ะกลุ่ฝ่ายฐานสอดแนมสืบข่าวราชการมึงเสฉวนก็ยังต้องมีอยู่ละ่ะแจ้งว่าสูมาเจียวข่าพระเจ้าโจโมมแล้วแล้วก็ไปเชิญพระเจ้าโจฮวนขึ้มาเป็นเจ้ า, น เ, าเนี้ยก็เอาเมื้อความตั้งอยู่ทั้งวงเราเนี้ไปแจ้งแกเกีเองวี เกียงอุย e. เด็กแจ้งความบางนั้นก็มีความยินดีก็แต่งือกานถึงไปมึงกังตังเป็นใจความว่าซื่อเราคิดจะไปตีมึงลกเอียงก็สมคดีแล้วบัดนี้สุมาเกียวเป็นขบุตร่าโจมอซึแล้วและตั้งโจหวนขึ้นเป็นเจ้าให้กังตังยกทหารไปบรรจบกับเราจะได้ยกข้อนี้ขึ้นฐาน เอาโวกสุมาเกียวด้วยอืมเป็นเป็นสาเหตุสาคัญทีเดียวที่จะล้านสุมาเกียวได้ด้วยความถูกต้องนะว่างั้นเธอะคนถือหนังสือก็ลาเกียงกุยไปต่างๆเกียงกุยก็ขัไปเฝ้าเพื่อเราเสียนราปุเมื่อความบุบพวงไอ้สงสารแล้วก็ขออนุญาตไปตีมือโลกเอียงเพื่อเจ้าเราเสียนก็โปรดให้ เกียร์อยก็จัดแจงทหาร15เมื่นกับเกวียนบรรทุกเสบียงและบรรทุกหีบสำหรับกระทการอีกยเล่นกวียนแกวียนเล่วนบรรทุกหีบสาหรับทำการนี่คือเกียรอุ่นกรารครั้นี้สำเร็จละนี่เป็นสุดครั้งที่เจของเกียร์อและเกียอก็ให้เรียวหัวทหารเก่าคุมทหารห้าหมื่น ยกไปทางจูเงาะกุกให้เตียวเอ็กคุ้มฐานร้ามืนยกไปทางหลอกกุกตัวเตียงวุยนึงจะยกไปทางเสียกกครั้งถึงวันดีได้เรยก็ยกฐานออกจากเมืองเสฉวนเป็นสามทางเพื่อไปบรรจบกันนะิตรธภูมิเขากีสาน ฝ่ายเป็นไงเป็นไงจะเรียกว่าจะเรียกว่าอย่างไรดีจพ ร, ระยาผู้รักษาเขตแบนหว้นแขวนขันทิเนื้อซึ่งประชิดติดกันกับเสยชวนมันไปสุดสำคัญู่เนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงก็ปั้งท่า ย, ยู่เขาอีสานดะแบบ พรงรูปยังอุ้ยยกฐานมาเป็นสามฐานก็โกรธก็เรียกหานายทามรมมาปรึกษาอองขวนก็จริงว่าคนอุบายของข้าพเจ้ามีอยู่สิ่งหนึ่งแต่จะบอกให้แพ่งรายไปนั้นนี้ได้นี่อองขวนไหวอย่างนี้แล้วก็เขียนหนังสือส่งให้แกเตงไงนี่เป็นใจความว่าให้ทำกลน ยอมสมัครเข้าเรืเกียงอุยแล้วคิดเอาชัยชนะต่อภายหลังมีองควรแม่อย่างนี้แม่วิธีอย่างนี้ให้ให้สมัครเข้าเรือเกียนอุยแล้คิดเอาชัยชนะต่อภายหลัง เ, งเต็งานเด็กแก่งอื่ก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็พูดว่าความคิดท่านนี้ดีอยู่แต่กลัวว่าเกียงอุยจะรู้เท่าองควณก็ดีว่าท่านอย่าวิตกเลย แม่เห็นด้วยกขบเจ้าแล้วขาเจ้าจะขออาสาไปเองเป็นไงก็จิงว่าแม้ท่านจะเป็นใจด้วยเช่นั้นแล้วก็เห็นจะสำเร็จการสมความคิดเป็นมั่นคงและตัวท่านก็จะได้ความชอบถูกต้องรับแสหนึ่งนี่ชะเป็นไงกระทำเองเป็นตัวเข้าไปทําเป็นเข้าวเด็กเกี้ยวอื่งเป็นไปไม่ได้จะเป็นก็ได้เพียงฐานเอกฐานรองเหล่านี้ งองขวนก็รับหน้าที่ดีล่ะเป็นไงก็เกณฑ์ฐานให้ห้าพันให้แก่องขวนอองขวนก็ลาเป็นไงไปในเวลากลางคืนนะพอไปถึงค่ายเกียงอุยก็ร้องบอกแกฐานในค่ายของเกียงอุยะว่าเราเป็นทหารเป็นไ ง, งและที่มานี้จะสมัครเข้าด้วยท่านงผู้รักษาประตูก็ออกไปบอกแกเกียงอุยเกียงอุยได้แจกดังนั้น ค่อถามทั้งตัวอ่ะอยู่ภายนอกก่อนให้หาตัวองปขวนก็มาแต่ผู้เดียวองขวนก็เข้าไปทามาเพียนอุ้ยแล้วก็จริงว่าขบเจ้านี้เป็นหลานอองเก๋งสุมาเจียวฆ่าพระเจ้าโจหมอเสียอองเก๋งผู้เป็นอาของขบเจ้าน่ะเป็นคนสัตว์ซื่อสุมาเจียวก็ฆ่าซสียสิ้นทั้งโคดขบเจ้ามีความแข้นนะ บัดนี้ก็จะแจ้งว่าท่านยกทัพมาเพื่อจะลงโทษสุมาเจียวประเงศพาสมัครพระพวกห้าพันมาเข้าด้วยทา่านจะขออาสาไปทาการแกแ้แค้นสุมาเจียวให้จงได้เกณน์อุเด็กฟานก็วเราะและก็จริงว่าท่านจะมาสมัครทาการด้วยเรานี้เราก็มีความยินดีนะบานี้เกณฑ์ทะเบียงของเรานะ่ะมาภายหลัง ท่านจคุ้มหารไปช่วยป้องกันเร่งรีบไปมาโดยเร็วเราอยู่ภายหลังนี่จะยกก็ตีไข่เป็นงานให้ได้องขุนก็ยิงดีแที่เกียร์อุยรับแล้วให้เตนไปคุณสเสบียงเร่งรับมานี่ก็คำมาปลาเกียร์อุยจะยกทหารไปเกียร์อุยก็จึงแบบท่านจะไปแบบนี้นะเป็นแต่การเร่งสเสบียงดอกก็เมื่อเพียงแต่ไปเร่งสเสบียงเท่านี้ จะเอาฐานไปมากกาหาต้องการไม่เราจะขอแบ่งไว้สักสองพันจะได้ช่วยทำการขั้นนี้คือไปปองอุนเนกฟังดังนั้นเอครั้งจะไม่หายก็กลัวเกียงอุยจะจับพิรุษได้ก็จำต้องยอมแบ่งฐานให้สองพันฐานตรงนี้มาห้าพันก็เหลือแต่สาม เกาะขังมับราพาทหารสามพัน 3, ที่เหลือยกไปเกียรอุยนะั้นก็เอาทหารสามพันน่ะมอบให้แกปอเฉียมปอเฉียงมือฝีมือดีแรบ ก, กับเตงไงเกือบจับเตงไงได้เมื่อคราวที่แล้วครั้งที่แล้วนะแต่เตงไายนีพ้นมือปอเฉียงไปได้หีเกียร์ุยก็เอาทา 2, หารสองพันมอบให้ปอเฉียมเนี่ยแล้วก็ ใหฟังแหวบปาก็เข้าหาเกียรอุย้ยแหวบปาแล้วก็บ่เหตุใดมหมาอุปราชจึเชื่อฟังอองขวนคือตอนนี้เกียร์ุยได้เป็นมาหาอุปราชแล้วเหตุใดมหมาอุปราชิึเชื่อฟังององขวนองขวนคนเนี่ตยแต่ข้าพเจ้าทาราชการอยเมืองโลกเอียงนี่นี่ได้ปรากฏว่าเป็นหลานสนิท ก, กับองเก่งไปอย่างไดซึ่งองขวนสมัครมาอยู่ด้ท่านเนี่ยเห็นจะเป็นกนอุบาย ขอหมายประรกาศคิดด้วยควรก่อนเกีงอุย ก, ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการอันนี้เราแจ้งอยู่แล้วแม่อองอวนเป็นลูกหลานอองเป่งแระสุูมาเจียวจะปล่อยให้มาซ่องสุนตทหารอยู่นอกเมืองทานนี้ได้เมื่อสุมาเจียวสั่งสั่งฆ่าองเก็งนั้นก็จับบรรดาโคตรระอูนฆ่าหมดสิ้น นี่เป็นด้วยว่าอองกวนน่ะห่างไกลยอยู่ที่เป็นญาติห่างๆอยู่จึงนี้ได้ต้องโทษ น, นั้นเราแจ้งอยู่สิ้นแล้วเราจรึงแบ่งทหารไว้หวังจะซ่อนกลม อ, องกวนให้จงได้หรอกแฮอกป้าได้ฟังก็จึงว่าถ้าท่านคิดเช่นนี้ก็ต้องเรียนน้ำใจขาบาเจ้าหญิงนะเกงวยก็เกณฑ์ทหารได้ออกสกัดพางคอระมัดระวัง อ, องกวน กพรองขวนอาจจะใช้คนไปมาติดต่อถึงเป็งไงอะทหารของเกียร์อวีก็จับได้ตัวทหารของอองขวนที่ถือหนังสือไปส่งเป็งไงนําเอาตัวมาให้เกียร์อวีเกียร์อวีก็หนังสือนั้นมาอ่านดูละ่ะนหนังสือนั้นเป็นใจความว่าให้เป็งไงมารับหนะหุบเขาฮีสามเดือนสิ แรมห้าคำเขาเจ้าจะคุมเสบียงมาทานนั้น นเป็นไงานยางไรอ่ะจับหนังสือไดอ้ีแล้วนี่เกงอุ้ยแจ้งความหนังสือแล้วก็เอาตัวคนถือหนังสือมาเป็นฆ่าเสียนีเป็นธรรมดาแล้วตัความติดความซะเลยแล้วก็เขียนหนังสือฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าเดือนสิบขึ้นส5บห้าคำนี่หนังสือขององขวนนะว่าเดือนสิบ แรงห้าถ้ำเกีงกมาเปลี่ยนใช่วัดเดือนสิขึ้นสิบห้าถ้ำคือก่อนห้าวันก่อนกําหดนดเดห้าวันให้เป็นไงคุมทหารมาคอยอยู่นะหุเขาหุยสานข้าพเจ้าองขวนจะคุมสเสบยเียงเกียงอุยมาให้ท่านที่นั่ง น, นี่เกียงอุยแปลงสารจะแล้วแล้วก็แต่งทหารให้ปลอมเป็นทหารขององขวนเนี่ย ถึงกิเต็งไง ย, ยังค่ายของเป็งไงละ่ะเรื่องการปลอมตัวตัวแทนตัวต่างน า, นานี่มิใช่อยากเรียนแบบประการใดก็้วยต่างก็เป็นทหารจีนวยกันทางนั้นนะอะาเจ้าทหารพวกนั้นก็าเกียงอุยไปละถือนสือไปให้เป็นไงอ่ะเกียอุยก็ให้ปอดเฉียนีหลคุมทหารสองพันแล้ว 2000, ลเกียน ร้อยเล่นเกวียนแต่เกวยนนี่ไม่ใช่บรรทุกสเสบียงสิบรรทุกฟืนและเชื้อเพลิงไปซุ่มอในหุบเขานั้นแล้วก็เตียวฉีเตียวเอกพร้อมเดืยเีย ว, ว่วคุมทานไปตีใคดเป็นไงตัวเกียงอุย ก, กับแหวบป่าคุมทหารขึ้นไปอยู่บนเนินเขา มาดูแผนการเกียงกุยซ้อนกลมเตงไงมีจะสําเร็จไหมฝ่ยายคนถือหนังสือของเกียงกุยที่ให้อมเป็นคนถือหนังสือขององขวนถือหนังสือของอ ง, วองอขององวนให้แกเตงไงอะ่ะเอาขวือปลายไปให้แก่เตงไยเตงไงทำได้ในในหนังสือนั้นก็มีความยินดีทีเดียวก็เขียนหนังสือตอบส่งให้แกทางดูเรื่อมาเป็นใจขวางบัตให้องขวน เร่งเข็นเกวียนเสบียงมาเถิดเราจะคุมทหารไปคอยอยู่ตามสัญญาหนังสือตอบรับแหละผู้ถึงเสือกรีกลับมามาหาเกียนวิก็อเอาหนสือมาแจ้งเกียนวิเกียน ว, ยวิรู้แน่ละ่ะตามกำหนดละ่ะครั้งถึงกำหนดขึ้นสิบห้าคำเป็นไงก็ยกฐานห้ามือออกจากค่าย ตรงไปยังหุบเขาวุยสันทาหารสอดแนวไปก่อนละ่ะเห็นกเวียนอ่ามันทุกเชื้อเพลิงสุ่มอยู่นะก็ไม่รู้รว่ามันทุกอะไรก็เรียไว่เห็นแต่กวียนละ่ะก็สําคัญว่าองขวนเห็นควียนสะเบียงมาแล้วจทหารไปสอดแนวเห็นอยนี้ก็รีบมาบอกเอกเตงไงเ็งไงก็รียบยกฐานไปถึงหุบเขานั้น เห็นทหารองขวนอยู่เป็นมันมากก็ดีใจวันนี้เวลาจวนเย็ยนแล้วให้ท่านเร่งเขาไปเข็นกวนสเสดียงมาเถอะเป็นไงก็จริงว่ะป่าภูเขาข้างหน้านั้นพอเรายังสับสมอยู่คือว่ากินอยุยรู้ถึงและจะเกณฑ์ทหามาสุ้มไว้วเราจะได้ความเดือดร้อนแต่ถ้าเราคอยท่าให้องขวน คุณเกวียนเสบียงมาถึงเราและสจินพากันไปค่ายก็พอดีทหารม้าชายมาบอกว่าองขวนคุมเกวียนเสบียงมาแล้วมีทหารยกไร้หลังมาเป็นน้นมากขอให้ท่านเร่งยกทหารไปเถอะเด้งไงเด็กฟังรายงานก็รีดยกทหารไป นายรีดโยธาหนปาดพอเวลายามมือก็ดินเขียวอึ่งอิงอยู่หลังเขาก็สําคัญว่าอองกวนยกมาเป็นายก็รีดโยธาข้ามเขาไปถึงป่าชัดแหงก็ปอเฉียงสีเรียกว่าเพชรธาตุปอเฉียงพือทวนควบมาออกมาเลยทีเดียวแล้วก็ประกานเลยว่ามึงแพ้รุ่นนายกูแล้วจะหนีไปไหนเล่า เรื่องมหากรุณาดีจะได้มัดไปแต่เกียงอีก้กูเป็นนายกูเตงไงเห็นอย่างนั้นก็เฉียบด้วยนี่เตงไงตกใจควบมัดปากมาฐาน ท, ที่ซุนอยู่ก็เพินจุกขึ้นโดยรอบแล้วก็ร้องรบฟันเข้ามาทีเดียวคาบฟันทหารของเตงไงล้มตายเป็นอันมากแล้วก็ร้องกระดับว่าถ้าผู้ใดจับตัวเตงไงได้จะปูนบาเหน็จให้ทอง ตําลึงและเป็นขุนนางผู้ใหญ่มีบำเหด็จมีมหาศาลเลยทีเดียวทองคำพังตําลึงและเป็นขุนนางผู้ใหญ่เบือ้องแต่งงานจะ่ฝันแต่เมืนก็ถอดกรอะทิ้งเชะโบตรงจากหลังมาะปลอมเป็นฐานเลวคือไม่แต่งตัวเป็นตัวนายและให้เป็นฐานเลวธรรมดากบสารวนวนไปกับบรรดาฐานเลวทั้งพวงออกจากที่รอมหนีไปได้ เป็นายหนีไปรอดฝ่ายเกีงวิกแพรหรัวป่าก็ยังสำคัญว่าเป็นไงยังอยู่ในที่ร้อมมันก่อยตานเที่ยวค้นหาแต่ก็ม้ได้พบฝ่ายตองกวนมีเงาผู้นี้ที่ใช้แสบของตน มันหลอกเกียร อ, อุยอะหัแสอององขุเนี่ยถูกเกียร์อุนแบ่งทานไว้ขั้นนึงนะครับแล้วตมก็ไปดำเนินการอยาจะไปคุมสเสบียงแล้วองขุเนี่ยให้ฐานถึงสืบไปถึงเปงายเนี่ยแต่ว่าเกียร์อุนอะมีความทิ่ผ่านเมื่อวานนะครับ เยรติวีพยายามส่งทหารคอยสกัดกั้อยู่ก็จับหนังสือฉบับนี้ขององขวนได้แล้วเยรติวีก็ซ้อนโกนเป็นงางจนย่าแย่ไปตามความที่กล่าวแล้วนะมีเข้ามาย้อนความนิดเดียวว่าองขวนท่ามนให้ทหารถึงหนังสือไปถึงเปงางแล้วก็จัดแจงเวียนสเบียงตามสัญญาที่สัญญากับเปงไงไงพอมาใกล้จะถึงหุบเขาวีสามนะ มาใช้ก็เข้ามารายงานทีเดียวว่าบบบนี้เกียงอุยรู้ถึงคนอุบายสิ่งเ็งไงถูกเกียงอุยซ้อนโอนยกมาถึงก็เสียทีแกเกียงวีและเตงไงจะเป็นตายประการใดก็บิ๊แจ้งนี่รายงานนี่มาถึงอองขวนละแต่พอรายงานจะมาใช้ายงาน